อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่16เมษายนเป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน5ปีเถาะนะคะเราพบกันในรายการธรรมาราปรุลในเช้า ว, วันเสาร์ที่16เมษายนนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันจะได้กราบมนิมนพระอาจารย์พัยบุญอภิปุนโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพภากลท่านเจ้าอาวาสวัด ปดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาสัาขาคือสนทนาธรรมะที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่16เมษายนอย่างที่ได้กราบเรียนแล้วนะคะก็ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะทราบละคะว่าเรายังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองอแล้วก็ วันหยุดยาวนะคะที่จะเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันมหาสงกรานนั่นเองยังมีเวลาที่จะเที่ยวสนุกกันในวันนี้คือวันเสาร์ที่16เมษายนนะคะกับวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่17แล้วหลังจากนั้นทางท่านผู้ฟังซึ่งได้ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในต่างจังหวัดก็ตามหรือว่าไปกราบท่านผู้มีพระคุณนะคะหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวเฉลิมฉลองวันสงกรานหรือเทศกาลสงกราน ในที่ต่างๆั้นนี้ก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครสำหรับท่านที่ทำงานที่กรุงเทพนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มักจะได้รับ ก, การเตือนกันมากๆเลยนะคะในช่วงที่เรามีวันหยุดยาวอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงของวันขึ้นปีใหม่หรือว่า เป็นขึ้นปีใหม่ที่เป็นสากล น, นะคะคือช่วงวันปีใหม่ที่จะเข้าเดือนมกราคมของทุกปีรวมทั้งวันสงการานะคะซึ่งจะรวบรวมนะคะที่จะเอาทั้งวันผู้สูงอายุนะค ะ, ะวันครอบครัวต่างๆเนี่ยมารวมเป็นวันหยุดยาวถึงประมาณ5วันทีเดียวนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเองแล้วก็ท่านผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเราก็จะ ต้องทำเป็นช่วงของเจ็ดวันอันตรายแล้วก็มีรายการพิเศษที่จะเรียนเตือนนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการเที่ยวเตรหรือขับรถนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมาไม่ขับนะคะเพราะว่าคงมีหลายท่านที่อาจจะสนุกสนานต้อนรับปีใหม่ไทยเรามากๆแล้วก็ทาให้เป็นเหตุให้ว่า หลังสงกรานทุกทีเนี่ยก็จะมีสถิติเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีท่านที่เกิดความประมาทพลาดพลัง้งจากช่วงของการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยนี่แหละค่ะ มีการสูญเสียทําให้เสียชีวิตลงนะคะหรือว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุพิการอะไรต่างๆซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะคะดังนั้นรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้อมักการพระอาจารย์ไพบุตรอภิพุรโนโุสิทธิ์เอกของหลวงพ่อดออรสะอดาดจิตรพะโสแล้วก็กราบน้อมสัสการขอให้ท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมนะคะแล้วก็สนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความตายกันนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบ น้ำพส ก, การพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโพร้อมกันนะคะกราบน้ำพส ก, การเจ้าข่าพระจําเจ้าค่ะได้เจริญพรเจ้าค่ะอย่างที่โยมเกิดมานะเจ้าคะ่ะแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีเป็นข่าวข่าวออกมามข่าวอทางช่องสามก็ไปเจาะข่าวนะในเจ้าคะ่ะหลายช่องกอ็เป็นแนวคิดของท่านผู้กำกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก, ก็จะมีป้ายเขียนว่าเขตห้ามตา ย, าตายอันนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเจ้าค่ะแต่ความจริงเนี่ยท่านบอกว่าท่านทําขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะเจ้าค่ะว่าเขตนี้ห้ามตายนะคือไม่ต้องมาประมาทไม่ต้องมามาเยี่ยตัวเหตุแถวนี้ดังนั้นเราจะคุยจะเรื่องเนี้เจ้าค่ะไม่ทราบพระอาจารย์มีอะไรที่จะเตือนสติบ้างนะเจ้าค่ะคือถ้าคืออาตมาก็าาได้ไปเห็นป้ายนี้เหมือนกันเอาติดไปเลยตัวบัิลมเลยนะห้ามตาย ก็ถ้าถามว่าพระรูจ้าสอนยังไงเรื่องความตายห้ามตายได้ไหมต้องตอบวาได้ความตายรื่ห้ามได้ห้ามได้ยังไงก็ตายมีอะไรเป็นเหตุความตายเนี่ยมีเหตุมาจากการเกิดถ้าเราห้ามการเกิดได้ความตายไม่ต้องพูดถึงห้ามได้แน่นอนเจ้าค่ะพระรูจ้าเนี่ยสอนอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลคุณเตนใจเค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรูจ้าบอกว่าความตายก็ไม่เที่ยงนะใครบอกว่าความตายเที่ยงทุกคนต้องตายทุกคนต้องตายไม่จริง ผู้รู้จ่าบอกว่าความตายเนี่ยเป็นธรรมที่มีอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้ความตายดับไปได้นะคุณตือนใจอืไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตายอะคนที่ไม่เกิดอ่ะไม่ตายแน่ะะเพราะว่าความตายมีการเกิดเป็นเหตุนะพระอาราันทั้งหลายเนี่ยพระรู้จ่าบอกว่าพระอาราันทั้งหลายเนี่ยถึงที่ที่ไม่ตายนะมีชีวิตอมะตะนะหนทางคือมรรคแปดเนี่ยเป็นทางที่ไปสู่ความไม่ตาย เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าความตายนี่จริงแท้แน่นอนทุกคนต้องพบเจอแต่ไม่วันใดก็วันหนึ่งอืมพูดไม่ถูก<ช>ความพูด น, นี้ไม่เป็นอา ก, กาลิโกไม่เป็นอากาลิโกเนี่ยหมายความว่าไม่ถูกต้องตรงจริงตลอดการเพราะว่าถ้าคุณบอกงี้ น, นะใช้กับพระอรหันต์ไม่ได้เพราะพระอรหันต์ไม่ตายแล้ว<ช>นะ<ช>จิตของพระอรหันต์เนี่ยคือดับไปตอนนั้นไม่เข้าสู่ความตายจิตเป็นอมตะนะ<ช>แต่กายเนี้ยปริญาบอกว่ากายเนี้ยที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องแตกดับไปเป็นธรรมดา ร่าง ก, กายของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ก็แตกดับไปแล้วเหลืออะไรก็เหลื อ, เ ป, อเป็นเป็นธาตุเป็นพระธาตุมีเขาก็สร้างเจดีย์ให้ทั่วไปใช่อหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าความตายเนี่ยจริงๆห้ามได้นะเราก็ห้ามด้วยห้ามที่เหตุ ข, ของเขาซะนะไม่ใช่ว่าไปบุญบาลสารกล่าวนะไปขอบุญว่าขอให้ฉันอยากตายขอให้ฉันอย่าเจ็บเราลก็ไปแก้ที่เหตุนะพระพุทธเจ้าก็สอนสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลโดยการแก้ที่การเกิด ถ้าไม่มีการเกิดเคุณเตืนใจไม่มีการตายแน่แล้วก็เรื่องความตายตรงเนี้ยเราต้องชี้แจงให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าอความตายเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แบบเฉพาะช่วงเทศกาลใช่ไหมคือคนจะตายตลอดเวลาหรือไม่ได้มีอยู่อยู่เฉพาะช่วงที่แบบมีอุทกภัยมีซีนามิมีน้ําท่วมแล้วก็มีคนตายมันมีตลอดเวลาคดูอย่างช่วง ถ้าเราวัดเรื่องเสร็จมันอันตรายเนี่ยนะจคะจริงๆเนี่ยเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยจํานวนคนตายต่อปีปีปหนึ่งเนี่ยะรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าพวกสีนามิมากกว่าพวกแผ่นดินไหวอี ก, อกทั้งปีรวมกันนะคะคนตายเป็นแสนนะสีนามิก็ทีหนึ่งก็หมื่นกว่าสองหมืแต่มันทีเดียวไปในไม่กี่วันเพราะเราดูตัวเลขเลยอาจจะตกใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยไออุบัติเหตุที่เราเห็นแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเนี่ยนี่แหละตัวดีเลย น<ม>ที่จะทําให้มีการตายเกิดขึ้นแล้วคือการตายเนี่ยมันมาได้ตลอดเวลาเอามันแค่นิดเดียวเองคือตรงจุดลมหายใจของเราเรากั้นลมหายใจแค่หกเจ็ดนาทีเนี่ยายละเอวังมันสั้นมากนิดเดียวคนเอเจอกันปับป๊บๆอีกไม่กี่วันอา้าวตายไปแล้วก็มีนะ เ, เราเคยได้ประสบการณ์หลายอย่างที่คนที่ไม่คิดว่าจะตายอะ่ะ ก็มันด่วนจากไปอย่างรวดเร็วก็มีหลายครั้งที่เราได้พบประสบการณ์เจอพวกนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าความตายเนี่ยมีซ่อนอยู่ในชีวิตมีซ่อนอยู่ในชีวิตไอเราเนี่ยไม่เห็นเองว่าจริงๆทุกวันเนี่ยตั้งแต่ตอนนอนตื่นช้ามาเนี่ยเราตายลงตายลงความตายเนี่ยคือการสิ้นไปสิ้นไปของอายุหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเนี่ย เซลข้างในร่างกายเราตายไม่รูกี่ร้อยพันตัวล่ะจริงค่ะพวกไมโครบคือตัวสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกจุลินทรีย์เอ่ยพวกเซลลอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเจริค่ะแล้วใครทราบไหมว่าหัวใจของเราเนี่ยเซลลของหัวใจเราเนี่ยนะจะตายลงแล้วก็เกิดใหม่เปลี่ยนหัวใจดวงใหม่เนี่ยทุกๆสองปีอืมจริค่ะตายออกหมดทุกตัวเลยนะเกิดใหม่ทุกๆสองปีเซลล์ Sell หัวใจจะมีอายุแค่ประมาณสองปีเท่านั้นเองจริค่ะ มันตายไปแล้วแล้วมันออกมาทางไหนมันก็ออกมาตามเหงือกขี้ใครออกมาตามอุจจาระออกมาตามเล็บนี่เนี่ยคือการบอกบ่งบอกถึงการตายของตัวเราออืผมที่ง่ายยาวยืดออกมาเนี่ยคือเซลล์ ต, ต่างๆมันตายแล้วมันก็ไปออกเป็นซากเป็นออกมาทางผมออืเจค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตายอยู่ตลอดเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะมีชีวิตร้อยปีพันปีหรือแปดสิบปีเก้าสิบปีเนี่ยความตายมีอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าใครเนี่ยนะ เป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามาพิจารณาเรื่องว่าเออเราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่น่วงผลความตายไปได้นะคนที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยอยสมมุติเห็นตายห้ามตายใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วนะคิดว่าเออเฮ้ยฉันมันก็ต้องตายเหมือนกันไว้คนที่มาพิจารณาอย่างนี้เนี่ยจะเกิดความที่อเรียกว่าระลึกได้จระลึกได้ว่าเออฉัน ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยฉันก็ไม่ควรทำาละเมื่าฉันจะตายนะ <Okay. S 2> ทำสิ่งที่ดีก็แล้วกันอ่าแล้วก็อนอกจากความตายเนี่ยจะมีซ่อนอยู่ในชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องเวลาคนกำลังจะตายคุณเตือนใจ <Okay. S 2> อ่อมันห้ามกันไม่ได้อ่าแบบแบบสมมติถ้าเรานอนผ ง, งาดผ ง, งาบเลยนะ <Yeah. S 2> อยู่บนเตียงป่วยเนี่ยห <Yeah. Yeah. S 2> ม่ว่าคุณจะเอาอะไรมาปิดกั้นล็อกห้องอย่างดี แต่มอ่าพลทหารอะไรต่างๆหามาคุ้มกันนะหมอพึบพยาบาลพึบก็ยังห้ามไม่ได้ใช่ไหมมันมันพอเวลามัจจุราชมาถึงก็ต้องไปอไม่ว่าคนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเอายกตัวอย่างสมสัยสมุทธเจ้าอย่างเงี้ยสมณาาโคโดมคก็เหลือแต่เจดีย์ที่เขาสร้างไว้ถึงลึกถึงนะใครอีกพระนารายมหาราชใช่ัหมก็มีอนุสาวรีย์อยู่ที่เมืองลบรียงนั่นเองนะรัชกาลที่ห้าก็เขาก็สร้างอนุสาวรีย์ให้ที่ อ่าระบมสรุปจงมาเจ้าค่ะใช่ ห, ชหก็เหลือแต่สิ่งที่เราจะทำความเดียวไว้ทีนี้อย่างคนที่ยก อ, อย่างเอาเอ า, เอาช่วงเจ็ดวันอันตรายอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแทนที่เราจะมาวัดว่าอา่ในช่วงเจ็วันอันตรายเนี่ยเราจะมาวัดระดับความประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยราชการหรือองค์กรที่อ่ามาร่วมลงนร ง, งให้บ้านเมืองปลอดภัยเนี่ยวัดจากจำนวนคนตายที่เกิดขึ้นเนี่ย อามาว่าถ้าเรามาวัดจากจํานวนคนตายถ้ามีมากใช่ไหยแสดงว่าปฏิบัติงานไม่ดีถ้ามีน้อยแสดงว่าปฏิบัติงานดีใช่ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่ า, าประสิทธิภาพในการทํา ง, งานเป็นอย่างไงเพราะพวกคนตายที่อยู่ตามโรงพยาบาลด้วยโรคต่างๆก็มีมันก็จะมารวมเข้าอยู่ในตัวเลขนี้ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะรณรงค์มาวัดกันที่ว่าคนไหนมีศีลเขาศีลเนี่ยมันเป็นตัววัด วัดดีกว่าคุณรณรงค์เลยไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่รูิดในกาไม่พูดปดแล้วก็ไม่ดื่มสุราเนี่ยเอาแค่ห้าเรื่องเนี้ยรณรงค์ไม่ให้มีในช่วงตลอดทั้งปีไม่ว่าช่วงไหนเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงชั้นวุติสถิติการตายความเป็นอยู่ชีวิตในบ้านเมืองต่างๆก็ดีความในสารทุกยอย่างฉันดีขึ้นหมดจะลดน้อยถอยลงลยคลดน้อยถอยลงหมดแล้วก็ไอเรื่องสถิติการตายเนี่ยก็ก็เป็นไปตามเรื่องตามราวของมัน ใช่ <Okay. S 2> เรามารมรงในเรื่องที่พระพุทธเาได้บอกไปแล้วสาเหตุของการที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยจเจริญนนก็คือพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลในธรรม <Okay. S 2> คืออันนี้พระพุทธเจ้าเคยได้ตรัสเอาไว้ว่าเหตุที่ทำให้บุคคลเนี่ยมีทุพพลภาพป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะ <Okay. S 2> ว่าตั้งแต่ชนชั้นกษัตริย์เนี่ยไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม ค่าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในสินทำไล่ลงมาไล้ลมาประชาชนก็ไม่ตั้งสินทมทําให้การอากาศอะไรต่างๆแปรปรวนไปหมดแต่ทีนี้เอ้าถ้าในหลวงเราตั้งอยู่ในสินรมค่าราชการทั้งหมดต้องตั้งอยู่ในสินรมไล่ลงมาถึงค่าราชการระดับกลางระดับล่างตั้งอยู่ในสินรมประชาชนกระดับบดีอะไต่างๆตั้งอยู่ในสินทำไล่ลงไปไล่ลงไปเนี่ยระบบของโลกการหมุนเวียนอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้น่อากระแสของบ้านเมืองเราก็จะดี แล้วมันไม่ได้วัดอะไรกันยากคุณตือนใจใวัดที่ความตายเนี่ยอาจจะไม่ถูกรัอเรเซ็นตเราวัดกันที่ศีลนะเพราะว่ายัางไงคนต้องตายแน่พะระุ่นเจ้าก็เลยให้วัดเนี่ยว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีเนี่ยดูที่ศีลใช่อย่างคนแก่อย่างนี้ในช่วงปีใหม่ไทยเนี่ยคุณกลับไปบ้านไปพบผู้อยากผู้ใหญ่ใช่ไหพ่อแม่หรือคนที่เราเคารพรักเนี่ยบุคคลพวกนั้นาอายุมากนะ ต้องเกินเลขหกขึ้นไปหกสิบไปแล้ว <Okay. S 2> ถูกไหมเป็นเขาเรียกว่าปูชนียบุคคล <Okay. S 2> ใช่ไหมถามคุณเตือนใจหรือท่านผู้ฟังทั้งหมดว่าคนที่จะเป็นปูชนียบุคคลน่ะคุณดูเขาที่อะไรเขาต้องมีศีลไหม <Okay. S 2> มีแน่นอนบุคคลพวกนี้จะไม่พูดโกหกถูกไหม <Okay. S 2> เขาต้องมีวาจาที่เชื่อถือได้ <Okay. S 2> เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้แล้วเขาก็จะไม่ไปเที่ยวฆ่าคนถูกไหมไม่ฆ่าคนฆ่าสัตว์เขามีศีลแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึง ธรรมมาจึงบอกว่าพูดตรงกับพระเจ้าแหละพระเจ้าสอนมาว่ามีศีลคุณเนี่ยจะเป็นคนดีใช่ค่ะแล้วเราควรจะมาวัด่าการพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยด้วยที่ตัวนี้ใช่ค่ ะ, ะเศรษฐกิจก็ได้ระดับหนึ่งจํานวนตัวเลขว่าตายมากตายน้อยก็ได้ระดับหนึ่งสาเหตุที่แท้จริงของมันเนี่ยคือที่ศีลใช่คะ่ะเมื่อสอสวันก่อนมีคนมาที่วัดมาระไนโศเพราะว่าช่วงสงกรานใช่ไหมเขาก็มากราบ อ่าขอพอหลวงพ่ออะไรพวกนี้นะก็เลยได้มาคุยกันอเอคราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดว่าเนี่ยถ้าอยู่ในสังคมบ้านเมืองใช่ไหมอยู่ในบริษัทที่ทํางานหน่วยงานราชการต่างๆเี่ยถ้ามีศีลเนี่ยนะเป็นคนแปลกในที่ทํางานไปอืมหรือเปล่าเออเป็นแบบว่าเขาไม่มีการนนะ่ะเขาพูดโกหกกันเขาพูดตลกโปกฮา ก, กัน <c oughs> เขาดื่มเหล้ากันเราไม่ทํามันก็เป็นคนแปลก ะคเหมือนเป็นคนแปลกแยกนะคะอ่าเป็นคนแปลกแยกซึ่งความเข้าใจตรงนี้ไม่ถูกต้องค่ะอารมาจะบอกนี้บอกว่าคนที่มีศีลเนี่ยคือหมายความว่าเวลาที่เรามีโอกาสที่จะทําผิดใช่ไหมเ้าค่ะเราไม่ทําคุณมีโอกาสที่จะผิดศีลข้อสามได้เงี้ยอยู่สองต่อสองกับผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ทำเจาค่ะไม่เอาอะมีโอกาสจะลักได้จะหยิบเงินได้ของบริษัทไม่เอามีโอกาสจะพูดโกหกได้เราบอกไม่ทํา คนที่จะทำได้ไงคุณเตือนใจกําลังจิตเขาต้องมีเขาต้องสามารถที่จะปฏิเสธสิ่งที่มายั่วยวนได้ถูกไหมยิ่งคนที่ทํางานระดับสูงนะเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่มีลูกน้องเป็นผู้ที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเงินเนี่ยหัวหน้าของเราเนี่ยยิ่งจะต้องคอยระวังว่าเอ๊ะคนที่จะมาทําตําแหน่งเนี่ยคุณสามารถทํางานนี้ได้ไหม คืเชือ ถ, ถือได้ไหมถูกต้ อ, อ เ, เวลาที่เราจะต้องสั่งงานมีความเป็นคนตรงเป็นคนสะอาดไหม เ, เวลาคุณรับเงินคุณจัดการนโยบายคุณบริหารงบประมาณเนี่ยคุณไม่โอมไปไหมมีความที่มีความสามารถตรงนี้หรือเปล่า เ, เพราะฉะนั้นคนที่มีสีเนี่ยยิ่งจะสามารถทำงานได้ดีขึ้นถูกไหมแล้วก็ เ, เวลาที่เรามีสีเนี่ยอันดับแรกเนี่ยจิตเราต้องมีกำลังในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี ถูกไหมสิ่งอะไรมายู่ยยวนเราบอกไม่เอาคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นคนตรงเชื่อถือได้คนที่ตรงคนที่เชื่อถือได้เนี่ยจะได้รับมอบหมายงานที่สำคัญถูกไหม <Okay. S 2> แต่คนที่ก็ล่อนคนที่พูดอย่างทำอย่างคนที่หาสาระอะไรไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ให้ทำงานสำคัญ <Okay. S 2> อย่างดีก็ไปคุยเล่นด้วย <Okay. S 2> เฉยเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องบอกท่านูฟังไว้ให้ชัดเจนว่ามีศีลเป็นที่แปลกในที่ทางานเหรออย่าไปสนใจ ถ้าเรามีศีลเราเป็นคนตรงเนี่ยคนที่เป็นคนตรงคนที่เป็นศีลเนี่ยมีศีลเนี่ยคุณจะขึ้นไปทํางานที่ดีขึ้นได้ค่ะใช่ไหมคนส่วนใหญ่เขาไม่มีศีลเรื่องของเขาคนเราเนี่ยเราต้องการเพื่อนที่ดีเพื่อนที่มีศีลเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่มีศีลเขาไม่มายุ่งกับเราดีแล้วค่ะอต่ถ้าเรามีศีลพวกที่ไม่มีศีลเขาไม่มายุ่งกับเราโหสาธุด้วยเะให้แต่คนที่ดีๆมายุ่งกับเราจะดีกว่าเจาค่ะอ่าแล้วก็ การที่เรามีสีเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาครึ่งครัดครึ่งเครียดอะไรอย่างนี้คนที่มีสีเนี่ยก็สามารถสนุกสนานเฮฮาได้ตามจังหวะตามโอกาสที่สมควรวคกิจกรรมอย่างเช่นไปเล่นกีฬาใช่ไหมไปทาบุญไปตามสถานที่เลี้ยงเด็กกำพรา้า ไปทำกุศลไปทำอ่าเขาเรียกอะไรสาธารณูทำอะไรสาธสารณ ป, ประโยชน์สาธารณประโยชน์ชพวกนี้นะคนนี้เป็นกิจกรรมที่เฮหาได้โดยที่ไม่ผิดศีลใช่เพราะฉะนั้นบางคนบอกต้องไปกินเหล้ากลางคืนอย่างเดียวโ อ, อ้นนี้คุณมีทางเลือกทางเดียวมันมีตั้งหลายทางแต่มาที่ทำให้เราเนี่ยสามารถตั้งอยู่ในศีลได้เป็นคนที่อ่ามีหลักมีการในชีวิตได้แล้วก็ มีหลายอย่างโหคุณประโยชน์ของศีลเนี่ยนะมากมายจริงๆ <Okay. S 2> เตือนใจพะพุทธเจ้าบอกว่าเอาคนที่มีศีลเนี่ยประการหนึ่งเนี่ยชื่อเสียงของเขาเนี่ยกะจกะจรกระจายไป <Okay. S 2> เอาตีอย่างว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับดอกไม้ <Okay. S 2> ดอกไม้เนี่ยไม่ว่ามันจะหอมขนาดไหนพันไหนเนี่ยมันก็ต้องไปตามลม <Okay. S 2> ไม่มีดอกไม้อันไหนกลิ่นของดอกไม้ไหนเนี่ยที่ทวนลมได้ แต่กลิ่นของบุคคลผู้มีสีนเนี่ยทุนลงไปได้ไมสมมุติเราบอกเรามีสีในบริษัทเรามีสีในองค์กรของเราเรามีสีในชุมชนของเราชื่อเสียงของเราเนี่ยจะกระจระายไปเ อ, อ้ไอ้หมอนี่มันมีสีไว้ไอย่าไปยุ่งกับมัน ห, มหรือจะอจอกระจายไปนี่คือพวกคนไม่ดีจะคิดอย่างนี้นะอดีแล้วคนไม่ดีอย่ามายุ่งกับเราคนที่ดีเขาจะคิดว่าเออไอ้หมอนี่มันมีสีเชื่อถือได้เอมีอะไรจะไปปรึกษาไปขอคําแนะนําจากเขาถึงจะถูก นะยิ่งเราดูคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพวกอาที่คนที่แก่แล้วอ่ะนะที่เป็นปูชนียบุคคลที่เกียณแล้วที่ยังมีคนเคารพนับถืออยู่พวกนี้มีสีทั้งนั้นเจ้าค่ะยิ่งคนแก่ๆเนี่ยถ้าไม่มีสีนี่หมดงามเลยเจ้าค่ะคือรูปก็ไม่งามอยู่แล้วนะเจ่ยิ่งถ้าไม่มีสีเนี่ยโหไม่เหลืออะไรไม่มีใครนับถือไม่มีใครนับถือด้วยเพราะฉะนั้นคนแก่ๆเนี่ยคนที่เขาเป็นปูชนียบุคคลที่เราได้พบผ่านมาในช่วงสงการเนี่ย เขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างน้อยอย่างหนึ่งต้องมีศีล <Okay. S 2> เพราะน่าจะมาจริงต้องบอกท่านผู้ฟังให้ชัดเจนว่าให้มีศีลอย่าไหลไปตามสิ่งที่มายุ่ยยวน <Okay. S 2> สิ่งมายุ่ยยวนเนี่ยเป็นตันหาเครื่องที่ทําให้เราไหลไปในสิ่งไม่ดีเราต้องทําศีลที่เรียกว่าทวนกระแสค <Okay. S 2> ่ะทวนกระแสจะเรียกว่าแปลกสัหน่อยก็ได้แล้วกันอย่างบางคนส่วนใหญ่ก็าอาจจะไม่มีศีลกันถ้าเราเป็นคนมีศีลแล้วก็จะดูแปลกต่ <Okay. S 2> แ, แปลกแต่ดีนะเป็นการทวนกระแส การทวนกระแสเนี่ยพระเช่าพูดถึงปัญหาเนี่ยคือกระแสถ้าเราจะไหลไปตามความอยากเดี๋ยวก็อยากทําอยากรักอยากพูดโกหกอยากทําผิดศีลข้อนั้นข้อนี้น <Okay. S 2> อย่าให้มันเกิดขึ้นเราต้องทวนกระแสคนจะทําอย่างนี้ได้ตื่นเต้นใจต้องมีกําลังจิตถ้าใครได้ฟังทางธาารรมะธรรมรุนเมื่อวันศุกร <Okay. S 2> ์จะได้ฟังหลวงพ่ อ, อได้หลวงพ่อท็อรสะอาดได้เทศถึงเรื่องวิธีการทําสมาธิ <Okay. S 2> นั่นแหละ จะเป็นจุดที่ทําให้เราจิตของเราเนี่ยมีกําลังในการที่จะตอบสนองด้วยการปฏิเสธสิ่งที่มายุ่นเราได้เจ้ค่ะคือสิ่งที่เป็นอบัยมุขหรือสิ่งที่<อ>มันทุศีนใช่ไหมคะใช่ใชชค่ะแล้วก็คนที่อ่าจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ผมหรือดิฉันนี่มีสีนแค่ยังทําได้ไม่ครบหข้อเลยเจ้ค่ะเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะมีสามข้อเอาสามข้อก่อนเจ้ค่ะมีสามข้อแล้วทําไงนั่งสมาธิด้วย เดินจงกรมด้วยเข้ า, าพิจรารณาอะไรต่างๆดูลมหายใจไปด้วยกำลังจิตเราจะมากขึ้นเราจะสามารถปฏิเสธสิ่งที่มายุ่ยยวนเราในข้ออื่นๆได้เราก็จะเริ่มรักษาได้สี่ข้ออา้าไม่เว้นจากการสังเกตลมหายใจมีสติทำสมาธิพวกนี้เป็นเหมือนกับชั่วโมงบินนะค่ะอยๆเก็บไปทีละเล็กแน้อยเหมือนหยดกระปุกอะ่ะทีละสาบาทห้าบาทสิบาท <c oughs> หยดเข้าไปแต่อย่าหยุดหยดนะ หยุดหย้อนเมื่อไหร่นี่มันก็จะหยุดไ ป, อ, ไปอ่มันก็จะไหลไปตามกระแสระะะเราต้องทวนกระแส ต, ต้องทำเรื่อยๆใช่ไหมตื่นเช้ามาเอาห้านาทีสิบนาทีนั่งสมาธิก็เอ า, าปีต่อไปอ่เฉันทําได้สิบห้านาทียี่สิบนาทีเอาก็ยังดีะนะเราก็มีสินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงกระจายไปพระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่ขั้นครมนะเป็นผู้ที่ไม่มีใครจะสามารถโจดได้ว่า ไอ้เธอค่าเธอรักเธอรู้สึกในการไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําเจ่อาแล้วเวลาแก่นะเวลาแก่เนี่ยสมมุติมันยังไงเราก็ต้องแกใช่ไหมเวลาแก่แก่ไปอายุหกสิบเจ็ดสิบไม่รู้จะถึงหรือเปล่าสมมุติถึงนะสมมุติถึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นปูชนียบุคคลได้เเป็นคนที่อย่างน้อยลูกหลานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเขาก็จะรับเรากราบไหว้เรามีสิ่งที่เรียกว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจเรา <Okay. S 2> จะเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่อไม่กังวลเพราะมันจะตายแล้วนะ <Okay. S 2> คน <Okay. S 2> ใกล้เรียกร้อยเนี่ยใกล้เข้าไปเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยถ้าคนไม่มีเสียคนไม่เคยทําความดีไว้จะมีความกังวลค <Okay. S 2> ตายแล้วฉันจะไปที่ไหนฉันไม่ได้มีความดีไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มีความกังวล <Okay. S 2> มีตาแก่สองคนสมัยก่อนอ่าไปหาบุญเช้า <Okay. S 2> ตาแก่สองคนนี้นะอายุร้อยยสบปีคุณเปืนใจ อ, อายุยืนแล้วนะอายุ <okay. S 2> มากเลยละ่ะ ไปหาพระรูชาบอกถามสมณครดมบอกว่าในขณะพระองค์ผู้เจริญอ่าพวกข้าพระองค์เนี่ยสองคนเนี่ยอายุร้อยี่สิบปีแล้วนะแต่ไม่ได้ทําความดีอะไรเลยรู้สึกกังวลจะทํายังไงดี อ, อพดาพระรูชาก็บอกว่าเอางี้แล้วกันอ่าเปรียบเสมือนกับคนที่บ้านกําลังไฟไหม้บ้านนี้กําลังไฟไหม้อยู่เนี่ยนะไหม้หึมหึมเลยนะไฟแดงขึ้นเนี่ยอะไรที่อยู่ในบ้านเราเอาออกได้เนี่ยอันนั้นปลอดภัย แต่แม้เฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนอะไรต่างออกได้ปลอดภัยให้เอาออกซะเหมือนกันกายของเราเนี่ยกําลังถูกไหมอยู่ด้วยความแก่ความตายอะไรที่เอาออกได้เนี่ยด้วยการให้ทานอันนั้นนเป็นของเราอืมจะตามไปได้เามือนผู้เชา่ยวกเลยแนะนําให้ตาแก่สองคนเนี่ยให้ถวายทานนะแล้วก็ให้ใช้กายวาจาที่เป็นสุจริตนี่แหละเป็นที่พึ่งต่อไปอจ้าเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเออ่าเรื่องของในช่วงสงกรานเนี่ย ก็จะสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าความตายเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะสามารถแก้ได้สามารถละได้ด้วยการลดเหตุของเขาซึ่งถ้าในวันพรุ่งนี้มีเวลาก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะให้มันครบตรงนี้ <c oughs> แล้วก็บุคคลที่ถ้าจะวัดเรื่องของการทำงานในช่วง เจ็ดว่อันตรายเนี่ยธรรมาก็มีความแนะนําว่าเราควรจะวัดในเรื่องของการมีศีลดีกว่านะก็ได้พูดถึงเรื่องอันนี้สรงการมีศีนปุชนียบุคคลอะไรต่างๆเขาก็มีศีลกันแล้วก็อย่าไหลไปตามกระแสนะให้ยิ้มเอาไว้แล้วก็เวลาที่มีสิ่งอะไรมายุ่ยยวนให้ปฏิเสธภาษาอังกฤษก็ว่าเซโนอย่าไหลไปตามสิ่งที่มันยุ่ยยวนให้มีกําลังจิตก็คือมีอกําลังจิตกําลังใจที่ มั่นคงแล้วก็มีกำลังที่จะปฏิเสธไปนะเจา้าค่ะว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งตามธรรมอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนได้เมตตาชี้แจงแสดงธรรมมานี้เนะ่ก็คิดว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านที่ได้ตามรับฟังรายการธรรมาราบุรุณนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าท่านได้ทําตามคําแนะนําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวผโสซึ่งท่านได้เทศได้ฟังเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเข้าสมาธิก็จะทําให้เรามีจิตใจมีกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะดํารงชีวิตเราอยู่ได้เป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะเจ้าคะ่ะและอีกอย่างที่โยมคิดว่าจะ เป็นเรื่องดีและเป็นมงคลสำหรับเราก็คือการที่เราเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมตามที่องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แจงสแสดงธรรมแล้วก็ชี้แนะเราไว้แล้วนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไมเจ้าคะเพราะว่าพระพุทธคุณต่างๆก็จะปกปักรักษาเรา เจ้าค่ะประเด็นนี้พระอาจารย์อาจจะฝากแน่คิดสุดท้ายไว้ไห ม, มเจ้าค่ะว่าอพี่น้องประชาชนชาวไทยเราในขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองก็ค่อนข้างวุ่นวายนะเจ้าค่ะหลายคนอาจจะจิตใจวั่นวายอะไรต่างๆเจ้าค่ะอกแซ น, นขันแขวนทั้งสิ่งที่เป็นหมายถึงภัยธรรมชาติบ้างแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยแล้งรวมทั้งรู้สึกบ้านเมืองก็ค่อนข้างจะวุ่นวุ่นกันอยู่นะเจ้าค่ะเราทําใจยังไงดีเจ้าค่ะให้สงบ แล้วก็เป็นสุขเจ้าค่ะเต้องหาที่พึ่งนะคนที่กังวลเนี่ยเนื่องจากเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขากังวลเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งเจ้าค่ะถ้ามีที่พึ่งก็จะสบายใจพระพุทธเจ้าก็แนะนําให้ใช้พระพุทธประธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งคงคิดว่าประเด็นนี้มีรา ย, รายละเอียดมากคุณเตินใจก็ะจะมาต่อในวันรุ่งขึ้นได้ได้เจ้าค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเราเนี้ยหมดลงอีกแล้วนะจ๊ะคะก็เลยคิดว่าน่าจะพาท่านผู้ฟังทางบ้านเนี้ยมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ภพยบุลอภิปุนโนะในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเราจะกลับมาพบกันใหม่ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงตีห้าคร่งเหมือนเคยนะคะในรายการธรรมาราบุรุณค่ะและสําหรับเช้าวันเสาร์ที่16เมษา ย, ยนนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมสการลาพระอาจารย์ภพยบุลอภิปุนโน สิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดธิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิพภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศตำบุดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะกราบนำสการเจ้าค่ะได้เจริญพรสาธเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการ ธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาหนาฬิกาถึงหนาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ